มเร่องารกันเยอรางกครับ้บกานทเ่อวานที่าไปตัีรไตดรัที่ต่เาราที่รไรไต่าไที่เรราไัดทีไรไั่เรัราไปัดทัทาไั่ัด่ได่าไตด่เตท่เาไ่เตัาัตัเัทีาไปั่เาัดาัดทตัดาได่ัดที่เาั่าัั เราจตนาในการทิ่พละอันจำดันและจำเทาคราบอกว่ามุ่งนาไปสู่นิพพานโดยไม่เอาทั้งผลดูทังผลเสื่อที่เป็นโลภะที่เป็นอาเจวะที่ต้องเรียกในคำบาลีว่าโอปะทิปังป็นยางโอปะทิปังป็นยางบุญที่มีขนมีขเป็นผลขันที่กันหน้าเนี่ยครับโดยต้องเกิดเล่าเกิดเล่ามีบุญ บุญที่ต้องเกิดแล้วเกิดอีกเรือว่าบุญซึ่งมีผลเป็นผลบุญซึ่งมีอาได้มีมีผลเป็นผลมีขอสิเลสเป็นผลอย่างนี้เป็นโตปะทุจังปุจังไม่เคยจไมในใน่ดไม่ก่ออีกหนึ่งที่เอพระเมื่อปจังเนย่ง้ที่ไม่หปิ ความเด่ที่ไม่มีใครว่าไม่ตรงไปดูการดับที่ลูเป็นการเวือนนะไม่ไปดูความเดนที่ลูไม่มีใครไม่มีใครไม่มีใครเพื่อไม่ใช่หน้า็นที่าังไม่อยาบไม่นี่คือเรืจะงํารไม่ดับไม่ดับเพื่อจะมาในตำแหนัมพันธ์เพื่อจะรักทังตำแหน่งในตำแหน่งเขาเป็นไม่กันว่า อเป็นผู้รักทั้งบุญทั้งบาปพอถึงหน่งะ็ดับท่านท่มาจะไม่เอาทั้บุญทั้งบาปเพราะว่าคนมีบาปก็คึดไปตามไจากคนมีบาปคนมีบุญก็คึดไปตามไปจาคนมีบุญมีบาไปามไากคมีบาเพราะฉะนั้นไม่เอาทั้งบุญทั้งบาป็คือเอาก็คือเอาสันติเอาสงบเอา สังเกตุสิมิจฉานริตานริตุสนริตุสติมิจฉาต้องเจริญสัญานรัรัมบุญสิมิจาต้องเจริญัาต้องเจริญีสัญยาอัตตนาสัญาจิตาาณจิลัคอนิสัมตสัทาตััสัง่ารดหนึ่งตัดีย มีก <zh> ็ค่อก็ทำในเรื่องทีี้่เอ่อนีม่ว่าจะวาเนอก่นะรกังนี้เจอนะครับเอ่อนยัน้าเออีจกันบ้างเันบ้าเทเจกันาี่กันบี่กันบ้าเอีกันาเที่เจอกันาที่เจกันบ้างเีเันบ้างี่ับ้วงเอันบ้เอี่อกันงเออี่เจันบ้ายกันบ้่เจอกันบ้างเันบาเที่ันบ้า่กันงเออทีนบ้าทีับ อาจาศสบายสดใสันเวลาเวลเสนะี้ากาศสบายสดันเป็นธรรมะนะครับนะธรรมะสบายสดใสยงคงมีโอกัสี่จะรงบฟังได้ขครบทุกท่านครับนี่คือเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยมหามกุตราชวิทยาลัยนะครับทุกวันอังคารครับผมวสินินทศระ จะได้มาพบกับท่านผู้ฟังในรายการวิเคราะห์ธรรมเมื่อวันอังคารที่แล้วนะครับผมได้คุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องกรรมที่ค้างเอาไว้ตอนปลายนะครับในเรื่องว่าสําหรับผู้ใหญ่ผู้สูงอายุาต้องนขนวายพยายามเพื่อความสิ้นกรรมโดยผ่านทางการสิ้นกิเล พระพุทธเจ้าของเราได้พระนามพระปื่ไปว่าเป็นผู้สิ้นกรรมสิ่งกิเลยพูดถึงเรื่องกรรมกรรมสี่ยาที่พระพุทธเจ้าจัดไปเองนะครับคือกรรมดํามีวิบากดหคือกรรมชั่วมีผลเป็นทุกข์แล้วก็กรรมขาวมีวิบากขาวคือกรรมีมีผลเป็นสุข กรรมทั้งดำทั้งขาวมีผลทั้งดำทั้งขาวก็มีผลทั้งสุขทั้งทุกขะละกันแล้กรรมไม่ดำไม่ขาวคือหมายความว่าเจตนาในการที่จะละกรรมดำและกรรมขาวคือทั้งบุญทั้งบาปหมายถึงว่าเมื่อไปถึงที่สุดแล้วท่านก็สอนให้ละทั้งกรรมดำกรรมขาวคือละทั้งบุญทั้งบาป อ, อย่างข้อความที่ว่าปุญญาปาปะปะฮีโนอผู้ละได้ทั้งบุญและบาปซึ่งเป็นคุณคุณบทหรือเป็นบทขยายอันหนึ่งของพระอรหันต์เป็นภูละได้ทั้งบุญและบาปไม่ไม่เอาทั้งบุญทั้งบาปเพราะว่าคนมีบุญก็ทุกข์ไปอย่างตามภาษาคนมีบุญ คนมีบาปก็ทุกไปตามไปสาคนมีบาปแต่ว่าเอาความสงบเอาสันติเป็นิพพานจะไม่ได้หมายความว่าท่านไม่ได้ทําความดีเพื่อผู้อื่นนะครับท่านก็ทําความดีเพื่อผู้อื่นแต่ตัวท่านเองไม่เอาจะ <c oughs> ไม่เอาแล้วไม่เอาทางทั้งบุญไม่เดี๋ยวไม่เอาไม่เอาทางดีทางชั่วแต่ว่าท่านเก็ยังทําความดีบาเพ็นกรณียกิจอยู่เพื่อผู้อื่น ด้วยความการุณาให้เก็เป็นไปตามความการุณานี่กรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้จริงๆก็มีอย่างนี้นะครับขอให้เราสนใจในเรื่องพวกนี้กันให้มากขึ้นสำหรับกรรมสิบสองที่ศึกษาเรียนกันแล้วก็ได้ยินได้ฟังกันโดยทั่วท่วไปเรื่องกรรมสิบสอง นั้นก็มีในวิสุทธิมรรคในคาพีวิสุทธิมรรคไม่ใช่พระพุทธพจน์เป็นคาพีวในคาพีวิสุทธิมรรคเป็นบกรณลพิเศษซึ่งพระพุทธโคสะหรือท่านพระพุทธโคสาจารย์เป็นผู้รจนาไว้แต่ก็เป็นหนังสือที่ดีมากนะครับอธิบายธรรมมากทีดีมากแล้วตอนที่ท่านอนธิบายถึง การตอนที่ท่านอธิบายถึงตั้งขาวิตรณาวิสุทธิในวิสุทธิมักคาพที่สามหน้าสองรอยยี่สิบสามนั้นทันก็พูดถึงเรื่องกรรมสิบสองเอาไว้ด้วยแล้วก็ต้องการว่าถ้าผู้ใดที่รู้แจ้งในเรื่องกรรมหรือามข้ามควา ม, วา ม, วามสงสัยในเรื่องกรรมจะได้ก็จะแต่น้อยก็เป็นจุลโสดาบัน เป็นจุลและโสดาบานโ ส, โสดาบันน้อยความเปนอย่างนั้นอันนี้ข้อความเมื่อวันนังคารที่แล้วที่ผมได้พูดกับท่านผู้ฟังนะครับก็ขอทอบตัวนิดหน่อยเพื่อจะให้เชื่อมกันต่อกันควาจริงตอนนี้กาลังพูดถึงเรื่องปัญญาอยู่นะครับปัญญากถาวันี้ก็โยงมาถึงเรื่องกรรมว่าความเข้าใจเรื่องกรรมอก็อทําให้เรา เข้าใจชีวิตให้เข้าใจอะไรแต่ อ, อะไรดีเพราะมันเป็นปัญญาในเรื่องของความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตอ <c oughs> ทีนี้ก็ขอให้เรามาช่วยกันทําศาสนาให้เป็นเหมือนไม่ใช่เป็นวิทยาศาสตร์นะครับให้เป็นเหมือนวิธีการของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอันนี้อันนี้หมายความว่าเป็นเรื่องของความรู้หรือให้เรามีความรู้แล้วก็ การลงมือกระทำรู <c oughs> ้และลงมือกระทำด้วยตนเองที่พูดถึงเมื่อวันอังคารก่อนที่ว่านักบากบางท่านทางตะวันตกได้พูดถึงพุทธศาสนาว่าเป็นเชื้อดูอิตริเจนเป็นศาสนาที่เราต้องทำเองเออไม่มีการอ้อนบอดไม่มีการขอร้องอ้อนบอด ถ้าใครจะช่วยก็ให้ช่วยเองหมายถึงว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลึกลับอะไรต่างๆถ้าจะช่วยก็ให้ช่วยเองให้เราทําศาสนาให้เป็นกับเหมือนให้เหมือนกับวิธีการของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องของความรู้เรื่องของความรู้ว่าเพื่ออะไรนั่นคืออะไรนี่คืออะไรแต่เทคโนโลยีนั่นเป็นเรื่องของการกระทํา ลงมือกระามเพื่อให้เราเอาศาสนามาใช้ประโยชน์ให้ได้จริงในชีวิตประจำวันไม่ใช่รู้เพื่อรู้ไม่ใช่รู้เพื่อรู้หรือรู้เพื่อสนองความอยากรู้อยากมีอยากเป็นไม่ใช่อย่างนั้นแต่ ว, ว่าให้เราเอาความรู้มาใช้ในชีวิตประจำวัน นี่ถ้าความรู้ทางศาสนามันแขวนเจิงอยู่แขวนอยู่กับความรู้เพื่อความรู้มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรไม่รู้ว่าจะปฏิบัติอย่างไรไม่รู้ว่าจะเอามาปฏิบัติอย่างไรพูดถึงเรื่องระบบความรู้มากมายใส่กองเต็มไปหมดไม่รู้ตั้งกี่ตั้งกี่กระบุงไม่รู้ตั้งกี่เกวียนแต่จะแล้วพอถามว่าจะให้ทําอย่างไรไม่รู้ไม่รู้จะให้ทําอย่างไร อย่างนั้นก็อไม่สมบูรณ์ใครผมกคยยกตัวอย่างมาเสมอรหรือว่าอาจจะหลายครั้งแล้วก็ได้ขอพูดซ้ำอีกทีหนึ่งว่ า, าเรามีอาหารกระป๋องแต่ว่าไม่มีเครื่องมือเปิดไม่มีเครื่องเปิดกระป๋องหรือว่ามีเครื่องมือเปิดแต่ว่าไม่รู้วิธีเปิดก็ไม่สําเร็จประโยชน์อยู่นั่นเองอเพราะฉะนั้นขอให้ เราใช้ปัญญาเกี่ยวกับเรื่องการนับถือศาสนานับถือศาสนาโดยใช้ปัญญาเอาเอาศาสนามาใช้ให้ถูกต้องอาจะได้ประโยชน์กับชีวิตประจำวันไม่ใช่ว่าศาสนาก็คือศาสนาแต่ว่าในชีวิตประจําเราไม่ได้ใช้อะไรเกี่ยวกับศาสนาดัางนั้นก็ทําศาสนาให้เป็นมัน ประโยชน์ก็มีน้อยหรือว่าเกือบจะไม่มีเลยจะเป็นการลงทุนก็เป็นการขัดทุนลงทุนก็ขัดทุนคราวนี้ก็ผมจะพูดต่อไปถึงเรื่องว่าตามเหตุผลที่ผมได้กล่าวมาทั้งหมดค่อนข้างจะยืดยาวในเรื่องปัญญากถาเนี่ยนะครับ จึงขอเน้นว่าปัญญาเป็นคุณธรรมสูงสุดในบรรดาคุณธรรมเพื่อชีวิตที่ดีทั้งหลายปัญญาเป็นแสงสว่างที่แท้จริงในโลกอย่างภาษิตพุทธศาสนาสุภาษิตที่ว่าปัญญาโล ก, กัสมิปัจโช โ, โตปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกมันเป็นแสงสว่างของใจถ้าไม่มีปัญญาก็มืด การดําเนินชีวิตก็ดําเนินไปอย่างมืดมืดเหมือนคนเดินอยู่ในที่มืดก็จะไม่เห็นว่าเป็นทางที่ปลอดภัยหรือว่าเต็มไปด้วยอันตรายเป็นหลุมเป็นบอ่อเป็นเหวหรือว่าบางคนแบบ น, นสรยพิษอยู่ก็ไม่รู้เพราะว่าขาดปัญญาผมมีเรื่องจะเล่าให้ฟังแต่เรื่องหนึ่งเป็นเรื่องสั้นๆในยกตัวอย่างนะความจริงเรื่องค่อนข้างยาว แต่ว่าสารุปลงให้สั้นเพื่ อ, อ, อให้ระชับเข้าพ่ามีพราหมูหนึ่ง เ, เ, เที่ยวขอทานตามคำขอร้องของพัญญาให้ไปขอทาน เ, เพื่อจะได้เงินมาจ้างคนรับใช้เขาเบื่อที่จะทำงานบ้านก็ขอให้พัญญาซึ่งให้ขอให้สามีซึ่งค่อนข้างจะซาาแล้วไป ขอไปขอเงินขอทองเรขขอทานเพื่อจะได้เงินมาแล้วก็เอามาจ้างคนรับใช้เนี่ก็ไปหลายวันก็ได้เงินมามากพอสมควรนะฮะได้เงินมาก็ตามชาดกท่า น, นบอกว่า700เจ็ดร้อยกะหาปณะจนะ็รยกะหาปณะสี่บาทเป็นหนะึ่งกะหาปณะหรหนึ่งกะหาปณะเท่ากับสี่บาท เราบาดอินเดียก็บาดไทยกทำไมโน้นนายสาวมันจะเท่าเท่าไหร่ก็รู้ไว้จํานวนเท่านี้ก็แล้วกั น, <c oughs> นก็ได้เงินมาประมาณเจ็ดร้อยแล้วก็เดินทางกลับบ้านให้เพื่อจะเอามามอบให้ปัญญาสาวปัญญาสาวนี่ก็ได้มาจากอ อ, อ, อพ่อของเขาที่เป็นหนี้ของตาพรามคนเนี้ไปเที่ยวขอทานแล้วก็มาฝากเอาเงินมาฝากไว้ ฝากไว้แล้วก็กลับมาทวงเอาเงินเล้วก็ใช้หมดแล้วก็เลยเอาลูกสาวใช้นี่ลูกสาวก็ไม่ได้รับผู้ชายคนนี้นั่งพับใจร่มไม้ระหว่างทางเนี่ยนั่งพับใจร่มไม้ก็ประสงค์ที่จะบริโภคอาหารแนงกินอาหารแน่งที่ปัญญาเขาเตรียมไปให้ี่เป็นข้าวสตวตุก้อนสัตสตุกผงอะไรพวกเนี้ยนะครับในถุงเพียงเล็กน้อยก็วางถุงเอาไว้ แต่ต้นไม้แล้วก็ลงไปตักน้ำที่ริมลำธารแล้วเมื่อกลับขึ้นมาก็ไม่ได้คิดอะไรก็รวบปากถุงแล้วก็ใส่บากรวงปากถุงแล้วก็แบกใส่บากไปในขณะนั้นเองก็ได้ยินเสียงจากต้นไม้ในจาด ก, ก็เล่าว่าอุกคเทวก ด, ดาที่อยู่ที่ต้นไม้ ก็เตือนบอกว่าถ้าเผื่อท่านพับในระหว่างทางวันนี้ท่านต้องตายถ้าเผื่อท่านไปถึงบ้านปัญญาของท่านต้องตายจะมีเสียงออกมาอย่างนี้ให้เจ้าพระมคนนี้ก็ได้ยินเสียงก็ตกใจตกใจ <c oughs> ก็รีบเดินทางต่อไปแต่ยังไม่รู้ไม่ตกกังวลเดินไม่ตกกังวลไปว่า จะทำอย่างไรดีถ้าเผื่อพักในระหว่างทางเราก็ต้องตายถ้าไปถึงบ้านปัญญาก็ต้องตายก็มาถึงที่แห่งหนึ่งนะครับใกล้ๆประตูเมืองเมืองพาราณสีเห็นคนมาชุมนมกันมากยึงเข้าไปดูเข้าไปดูก็เห็นท่านบัณฑิตผู้หนึ่งกำลังจะแสดงธรรมแก่คนทั้งหลายท่านบัณฑิตผู้นี้ก็คือเสนากาบัณฑิตหรือเสนกบัณฑิตเป็นพระโพธิสัตว์นะครับ กำลังจะแสดงธรรมแสดงธรรมอยู่แล้วคนอื่นก็ก็ชื่นชมยินดีกับการแสดงธรรมของพระโพธิสัตว์ซึ่งภั ย, ภยร้อเพราะพริพร้งพร้อมทั้งอัดและพยันช่นนะก็ให้สาธุ ก, การกันเป็นระยะระยะเแต่พราหมณ์คนนี้ก็ไปยืนร้องไห้อยู่ข้างหลังโดยท้ายคนอื่นทั้งท้ายของคนอื่นท่านบัณฑิตท่านเสนาบัณฑิตเห็นแล้วเห็นอย่างนั้นจึงได อัดถามขึ้นว่าทำไมจริงมันยืนร้องไห้อยู่นี่ก็เขาก็เล่าให้ฟังตามคนนี้ก็เล่าให้ฟังเล่าให้ฟังท่านดันฑิตก็บอกให้ตามวางถุงลงแล้วก็ให้เอาไม้ยาวแย่เข้าไปในถุงแย่เข้าไปในถุงก็ปรากฏมีงูพิดเลื้อยออกมาเห็นงูเหา่างูเห่าตัวใหญ่เลื้อยออกมาแต่ว่า ความนี้ได้แบกออกความตายมาบนบาของตนตลอดเวลาที่เดินทางมาแบกออกความตายมาโดยที่ไม่รู้ไอ้งูเห่าก็กล้าหันเรืรเกินไม่กระดุกกระดิบเลยท่านดันดิตก็ชี้แจงง่ายพรามหายคล้องใจว่าอขณะที่ท่านวางถุงไว้ใต้ต้นไม้และลงไปตักน้ําดื่มนั้นเอ่ที่ริมลาธารนั้นสารพิษก็คงจะได้กิ่นอาหาันแล้วก็เลื้อยเข้าไปอยู่ในถุง กินอาหารในถุกทีนี้ก็ถ้าเผื่อพักในระหว่างทางถ้าเผื่อตามพักในระหว่างทางก็จะต้องล้วงมือเข้าไปหยิบอาหารในถุงงูพิษก็จะกัดถึงตายทีนี้ถ้ากลับไปถึงบ้านปัญญาสาวผู้โลภในทรัพย์ก็จะรีบล้วงมือลงไปค้นหาทรัพย์งูพิษก็จะกัดปัญญาถึงตายอลองคิดดู เพียงแค่เขาเล่าให้ฟังเพียงเท่านี้ท่านบัณฑิตสามารถจะแทงทะลุตลอดอมีในตาที่เฉียบคมมีปัญญาที่เฉียบคมเหมือนมองเห็นว่าเหตุการณ์มันคนจะเป็นอย่างไรจึงรู้จึงรู้ได้ด้วยปัญญาทือว่าท่านบัณฑิตรู้สิ่งนี้ได้ด้วยปัญญาอาท่านบอกว่าไม่ใช่ด้วยกําลังของชาติะกูลไม่ใช่ด้วยกําลังของโคตรหรือของญาติหรือของอะไรแต่ว่าด้วยกําลังของปัญญา น, นี่คือท่านผู้มีปัญญาเพราะฉะนั้นท่านบัณฑิตได้ช่วยให้กามผู้น่าสงสารพ้นจากทุกข์และมรณะภัยได้ก็เพราะปัญญาดเรื่องนี้นักบัติจึงได้กล่าวไว้ว่าผู้ฉลาดทั้งหลายกล่าวว่าปัญญานั่นเองประเสริฐที่สุดดุด ด, ดวงจันทร์แม้จะมีดวงเดียวก็มีแสงสว่างกว่าดวงดาวทั้งท้องฟ้า อันนี้เท่าที่ปรากฏแก่สายตาของเรานะครับแก่โลกเราศีลก็ดีศีลคือมิ่งขวัญหรือความมีสเสน่หก็ดีเป็นสิ่งที่ค้อยตามผู้มีปัญญาเป็นสิ่งที่คอยตามผู้มีปัญญาติดตามผู้มีปัญญ า, า, ญญาเพราะนั้นปัญญาจึงเป็นรัตนะของคนนะครับเป็นแก้วเป็นแก้วของคนจึงได้ส่งเสริมให้มีการเพิ่มพูนปัญญา ให้เกิดความรู้สึกว่าปัญญานี่เป็นสิ่งที่สำคัญซึ่งเราจะต้องเพิ่มผูในให้มีขึ้นก็ะไม่ถูกหลอกแม้ว่าจะอยู่ในฐานะอย่างไรก็จะเป็นคนที่สามารถจะเอาตัวรอดได้ด้วยกำลังแห่งปัญญาผมมีเรื่องจะเล่าให้ฟังอีกนิดหนึ่งนะครับ <c oughs> นานมาแล้วครับอันนี้เป็นเรื่องทางญี่ปุ่น <c oughs> นานมาแล้วแต่คนญี่ปุ่นเป็นคนเขียนนิคเโยนิวานโนชาวญี่ปุ่นนะครับเขียนเดี๋ยวผมจะพูดรายละเอียด ใ, ใ, ให้ทราบนะครับนานมาแล้วมีคนหนึ่งชื่อยอคุงอันนี้เป็นคนจีน <c oughs> คนแก่ที่โง่เขลามีชีวิตอยู่บนเนินเขาสูง <c oughs> ยากลำบากระหว่างภูเขาไต้หงและหว่างูในวันหนึ่งเขาเรียกคนทุกคนในครอบครัว มารวมกันแล้วก็เสนอให้ทุกคนรวมกำลังกันเพื่อจะได้มีกำลังเข้มแข็งทำการเคลื่อนย้ายภูเขาก็าจะเคลื่อนย้ายภูเขาทุกคนเห็นด้วยแล้วก็เริ่มขุดดินทันทีทุบหินแล้วก็ขนดินก็หินทั้งหมดไปทิ้ง ท, ทะเลทิ้งทะเลโปไหยที่ต้องใช้เวลาเดินทางถึงหนึ่งปีนะครับ ระหว่างภูเขากับทะเลเนี่ยต้องทุบทุบทุบภูเขาอแล้วก็เอาไปทิ้งกทะเลยต้องเดินทางถึงหนึ่งปีในระหว่างทางนี่ยึดคุงยืดคุงผ่านที่จู่ของอสิเข่าหรือชิเจ้าเนี่ยอชายแก่ผู้ที่ฉลาดก็บอกเขาบอกบอกเขาว่าเขาก็คงมีอายุไม่ยืนนักนะครับหมายถึงยืดคุงเนี่ยแล้วก็มีร่างกายที่หย่อนแอ ไม่ใช่คนแข็งแรงอะไรงานที่เขาจะทำก็จะเป็นการศูนย์เปล่าเสียเวลาเปล่าเขายึดคุมตอบว่ า, าคนปัดเสงทั้งหลายเช่นท่านล้วนแต่มีความเห็นเช่นนี้ทั้งนั้นแต่ว่าความสําเร็จอาจจะไม่เกิดขึ้นในชีวิตในช่วงชีวิตของขพระพเจ้าแต่ว่าถ้าลูกหลานและก็ ลูกของหลานแล้วก็หลานของหลานเลนของหลานเลนของเลนจะทำงานนี้ต่อไปไม่หยุดด้วยความขยันหมั่นเพียรก็จะบรรลุจุดมุ่งหมายบรรลุจุดหมา ย, ายปลายทางของพวกเขาในวันหนึน่งข้างหน้าแล้วก็มีสิ่งหนึ่งที่แน่นอนคีอว่าจะไม่มีภูเขางอกขึ้นมาแทนภูเขาเก่า <c oughs> ทีนี้ก็เทวดาสองตน ที่สิงสถิตยอยู่ที่ภูเขาทั้งสองแห่งก็ได้ยินคำนี้ได้ยินคำนี้รู้ถึงความตั้งใจที่แน่วแน่ของยืนคุ่มเป็นสัญญาบอกว่าที่สิงสถิตของเท ว, วดาพังแน่นอนเทวดาจึงขอให้ออออจอมเทพนะครับจอมเทพในในสวรรค์นเนี่ย emperor of heaven เท้ า, ทาสักกะในเื่อท้าศักกะจอมเทพช่วยเหลือเท้าศักกะเห็นใจเทวดาแต่ก็เคารพจิตใจแน่วแน่ของเยอคุงจึงมีเทวบัญชาให้เทวดาที่มีพลังย้ายภูเขาไปไว้ในที่ห่างไกลเพื่อความปลอดภัยที่นี้ชื่อของยยอคุงชายชะาพู้งโอง้เก่าเนี่ยนะครับ จะว่าเป็นท่อยคำที่จะชดไปจันดันแดกที่จริงแล้วเขามีสติปัญญามองเห็นว่าสิ่งที่ดูเหมือนจะสูญเสียกําลังเปล่าแต่ถ้ามองในระยะยาวแล้วก็มีความสําคัญอย่างยิ่งก็เลยนี่นมีความสําคัญอย่างยิ่งจะมีวิสัยทัศน์นะครับมีวิสัยทัศน์ก้าวกว้างไกลยาวไกล <c oughs> การยืนหยัดความเทียน พยายามด้วยความบักปันที่แท้จริงอยู่เหนือการทนทุกข์ในปัจจุบันยืดคงเป็นสั ญ, ญลักษณ์ของปัญญาที่ลุ่มลึกประเภทหนึ่งอันนี้ท่าโปรดจำมาให้ดีนะครับยึดคงนี้เป็นสั ญ, ญลักษณ์ของปัญญาที่ลุ่มลึกประเภทหนึ่งบุคคลประเภทยึดคงนี้มีความสามารถมั่นคงที่จะดําเนินชีวิตไปให้ประสบความสําเร็จ ด้วยการสนับรู้ว่างานของเขาจะนำไปสู่ความหมายนิรันดรโดยไม่สนใจว่าประโยชน์ผิวเผินหรือประโยชน์เฉพาะหน้าจะเป็นอย่างไรแต่ว่าคนส่วนมาก น, นี้จะมองแต่ประโยชน์เฉพาะหน้าแถ้ามองไม่เห็นประโยชน์เฉพาะหน้าล้วก็จะไม่ทาแต่คนที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลบางทีดูเหมือนว่าตอนนี้จะไม่ได้อะไรแต่ว่าในอนาคตอันยาวไกลนี้จะได้ สิ่งที่ดีงามเป็นอันมากไอ้สิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นปร adox นะฮะปร Par adox มันเป็นสิ่งที่ดูเหมือนว่าจะน่าหัวเราะเยะในในระยะที่กําลังทําอยู่แต่ว่าคนที่มองสายตาสั้นก็จะมองไม่เห็นแต่ว่าใครจว่านกกระจาบมันจะมองอย่างนกอินทรีได้อย่างไรคือสายตาของนกกระจาบจะมองเห็นอย่างนกอินทรีได้อย่างไร โดยนกกระจอกจะมองเห็นอย่างนกเหยี่ยวก็จะไม่ได้ทำนองนั้นนะครับข้อความนี้เรื่องของยึดคงนี้นะครับเอามาจากหนังสือชีวิตที่สมบูรณ์ living full i f e ซึ่งนิคโยนิวาโนชาวญี่ปุ่นเป็นคนเขียนแล้วก็แปลเป็นอังกฤษโดยร i ชา a r d แอนเกตสแปลเป็นไทยโดยท่านพระมหาสมนิกกัมพูวันโนนักศึกษาปริญญาเอกมหา มหาวิทยาลัยปัญจาอินญาณเลวลานี้กำลังศึกษาปัญญาเอกอยู่ที่มหาวิทยาลัยปัญจาบนี่นะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องดีที่แสดงถึงปัญญาและความเพียรซึ่งจะต้องเป็นของมาคู่กันถ้าเื่อมีแต่ปัญญาแต่ไม่มีความเพียรมันก็ใช้ไม่ได้เท่าไหร่ถ้ามีความเพียรแต่กาดปัญญาก็จะใช้ความเพียรไปโดยที่ เ, เสียประโยชน์เสียมากกว่าต้องมีปัญญาแทงทะลุด้วยเล่าปีเนี่ยรวบรวมบ้านเมืองต่างๆได้มากมายาเพราะอาศัยกุณสื่อผู้ที่มีปัญญาเช่นของเบ้งเพราะฉะนั้นปัญญาก็เป็นสิ่งที่มีความสำคัญอยู่เป็นมากเวลาน้อยเหลือเกินกับออตอนนี้ก็เวลาหมดเดีค้ครับ สำหรับวันนี้ก็คงขอหยุดเอด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับขอความสุขสวัสดีความเจริญทุกงเดือ ง, ง, ทท ง, ท ง, ทงทั้งทางโลกและทางธรรมทุนมี MM. แต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดีครับสวัสดีครับ ท, ท่านผู้ฟังทุกท่านครับนี่คือเสียงธรรมจากอาาุทิยาลัยมหาเมกุตเศรษฐีอทยาลัยนะครับ ทุกวันอังคารครับผมเมษีนินทศระจะได้มาพบกับท่านผู้ฟังในรายการวิเคราะห์ธรรมนะครับตอนนี้วิเคราะห์ธรรมอยู่ในเรื่องคาถาวัตถุ <c ười> ค่อยคําที่ควรพูดทิศอย่างแล้วก็มาถึนงนหัวข้อที่แปะคือปัญญาคาถาเรื่องนี้ผมค่อนข้างจะพูดนานหน่อยนะครับเพราะว่าเดูเห็นว่าเรื่องปัญญานี่ เป็นเรื่องที่สำคัญมากในมีความสำคัญอย่างยิ่งในสังคมของเราเพราะว่าสังคมของเราส่วนมากก็ใช้ศรัทธาเป็นตัวนำชีวิตคือว่าทำอะไรไปด้วยศรัทธาไปใช้ปัญญา จึง อ, อยากจะขอเน้นเรื่องปัญญาให้มากสักหน่อยก็เลยพูดเรื่องปัญญาค่อนข้างมากนะครับแล้วก็ขอเน้นย้ำว่าปัญญานี่เป็นคุณธรรมที่สูงสุดของพุทธศาสนาหรือว่าถ้าได้ปัญญาแล้วก็จะได้ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิต <c oughs> นถึงกับพระเถระบางท่านในพุทธศาสนาที่เป็นพระอรหันต์แล้วเคยเป็นกษัตริย์เคยเป็นกษัตริย์มาก่อนอย่างพระมหากับปบินทรเถระท่านได้เปรีงอุทานใหกล่าวออกมาว่าสิ้นทรัพย์จะมีปัญญาก็พ อ, ออยู่ได้แต่ว่าถ้าเผื่อวา่าไม่มีปัญญาแม้จะมีทรัพย์ก็ไม่ขอมีชีวิตอยู่ อย่างนี้เป็นต้นนะครับออแสดงว่าท่านเป็นผู้ที่รักปัญญามากออทางชีวิตเนี่ยครับเดินยากกว่าทางธรรมดาทั้งหลายเท่าซึ่งเราจะต้องใช้ปัญญาเป็นไฟสองทางสำหรับการเดินทางชีวิตทางชีวิตมีความซับซ้อนกว่าทางธรรมดามากทีเดียว การเดินทางธรรมดาเนี่ยครับเราอย่างต้องศึกษาเรียนรู้ว่าจะไปอย่างไรกลับอย่างไรถึงจะสะดวก <c oughs> คนที่รู้ทางทา ง, งจะเดินทางได้สะดวกแล้วก็ปลอดภัยกว่าผู้ที่ไม่รู้ทางทางชีวิตก็ทำนองเดียวกันนะครับคนที่มีความรู้เกี่ยวกับชีวิตวิถีชีวิตก็รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรดีอะไรชั่ว แล้วก็อะไรควรทาอะไรไม่ควรทำจึงมีระดับอยู่ในวิถีชีวิตของเราแต่ละคน <c oughs> เราแต่ละคนเนี่ยเ้าพยายามปฏิบัติตามที่รู้ <c oughs> ก็ย่อมจะนำชีวิตไปสู่ความสงบสุขได้มากกว่า